อนุโลมโอกาดจากขุนทรียะมูลกนัยสองอนุโลมปุจฉาจากขุนตีในภูมิใดจะเกิดโสตินรีในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมพิจัดชนาใช่ปฏิโดมปุจฉาโสตินรีในภูมิใดจะเกิดจากขุนตีในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมพิจัดชนาใช่อนุโลมปุจฉา จากขุนศีในภ <ja> ูมิใดจะเกิดคานินรียในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาในรูปปาวจรภูมิในภูมินั้นจากขุนรีจะเกิดแต่คาณินทรีย์ไม่ใช่จะเกิดในกามาวจรภูมิในภูมินั้นจากขุนศีจะเกิดและคานินทรีย์ก็จะเกิดปฏิโ ร, รมปุชชาคานินทรีย์ในภูมิใดจะเกิดจากขุนศีในภูมินั้นก็จะเกิ ด, ก ใ, กกดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ อนุโลมปุจฉาจากขุนสีในภูมิใดจะเกิดอิทินรียละปุริศินรีในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมพิจาชนาในรูปาวจรภูมิในภูมินั้นจากขุนศีจะเกิดแต่ปุริศินรียไม่ใช่จะเกิดในกามาวจรภูมิในภูมินั้นจากขุนศีจะเกิดและปุริศินรียก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉาปุริศินรียในภูมิใดจะเกิดจากขุนสีในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหม พิจ <necessary. S 2> okay. <so> oh <Bringing> ัชนาใช่อนุโลมปุจฉาจากขุนตีในภูมิใดจะเกิดชีวิตินทร์ตีในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมพิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาชีวิตินทร์ตีในภูมิใดจะเกิดจากขุนตีในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาในอสัญญาสัตตภูมิและอรูปภูมิในภูมินั้นชีวิตินทร์ตีจะเกิดแต่จากขุนสีไม่ใช่จะเกิดในปัญจโวการาภูมิ ในภูมินั้นชีวิตินทรีจะเกิดและจากขุนศีก็จะเกิดอนุโลมปุจฉาจากขุนศีในภูมิใดจะเกิดโสมณตินทรีในภูมินั้นก็นะชชนนนจะเกิดก ใ, ge, ใช่ไหมพิจัชนาะใช่ปฏิโลมปุจฉาโสมณสินทรีในภูมิใดจะเกิดจากขุนศีในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมพิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉา จากขุนศ el ีในภูมิใดจะเกิดอุเปกขินศีในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจาชนาใช่ปฏิโรมปุชชาอุเปกขินศีในภูมิใดจะเกิดจากขุนสีในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจาชนาในอรูปประภูมิในภูมินั้นอุเปกขินรีจะเกิดแต่จากขุนศีไม่ใช่จะเกิดในปัญจโวการภูมิในภูมินั้นเปกขินรีจะเกิดและจากขุนสีก็จะเกิด อ, อนุโลมปุชชาจากขุน er ศ er ีในภูมิใดจะเกิดจากทินศีละปัญญินศีละมณีศีในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุชชามณนศีในภูมิใดจะเกิดจากขุนศีในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาในอรูปภูมิในภูมินั้นมณีศีจะเกิดแต่จากขุนศีไม่ใช่จะเกิด ในปัญจโวการภูมิในภูมินั้นมนนิทรีย์จะเกิดและจกักขุนสีก็จะเกิดจกักขุนตรียมูลกานายัยจบคานินตรียมูลกนัยสองอนุโลมปุชขาคานินทรี ย, าายรชช์ในภูมิใดจะเกิดอิดถินรีและปุริสินรียในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุชขาปุริสินรียในภูมิใดจะเกิด คานินสียในภูมิน ja yeah. ั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาคานินสียในภูมิใดจะเกิดชีวิตินรียในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโดมปุจฉาชีวิตินรียในภูมิใดจะเกิดคานินทรีย์ในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิในภูมินั้นชีวิตินรียจะเกิด แต่คานินตีไม่ใช่จะเกิดในกามาวจรภูมิในภูมินั้นชีวิตินตีจะเกิดและคานินตีก็จะเกิดอนุโลมปุชชาคานินตีในภูมิใดจะเกิดโสมนัสินตีในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุชชาโสมนัตินตีในภูมิใดจะเกิดคานินตีในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนา ในรูปปาวจรภูมิในภูมินั้นโสมนสินตีจะเกิดแต่คาณินตีไม่ใช่จะเกิดในกามาวจรภูมิในภูมินั้นโสมนสินตีจะเกิดและคานินตีก็จะเกิดอนุโลมปุจฉาคานินตีในภูมิใดจะเกิดอุเปกินตีในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมพิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาอุเปกินตีในภูมิใดจะเกิด คานินสียในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะในรูปปาปจรภูมิและอรูปปาปจรภูมิในภูมินั้นอุเปกินรียจะเกิดแต่คานินสียไม่ใช่จะเกิดในกามาปจรภูมิในภูมินั้นอุเปกินรียจะเกิดและคานินสียก็จะเกิดอนุโลมปุจฉาคานินรียในภูมินใดจะเกิดจัดทินรียและปัญญินรีละมนินรีย ในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมพฤฤิจัชนาใช่ปฏิโลมปุชชามนินทรีในภูมิใดจะเกิดคานินทรียในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิในภูมินั้นมนินทรียจะเกิดแต่คานินทรียไม่ใช่จะเกิดในกามาวจรภูมิในภูมินั้นมนินทรียจะเกิดและคานินทรียก็จะเกิด คานินตรีย์มูลกนัยจบอิถธินตรีย์มูลกนัย292อนุโลมปุจฉาอิถธินรีในภูมิใดจะเกิดป <popular> ุริสินสีในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมพิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาปุริสินสีในภูมิใดจะเกิดอิถธินสีในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมพิจัดชนาใช่อนุโลมปุจฉา อิทธิ์รีย์ในภูมนะิใดจะเกิดชีวิตอินทรีย์ในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโรมปุชชาชีวิตอินทรีย์ในภูมิใดจะเกิดอิทถิ์ <fantastic. S 2> รียในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาในรูปปาปจรภูมิและอรูปปาปจรภูมิในภูมินั้นชีวิตอินทรีย์จะเกิดแต่อิทธิ์รีไม่ใช่จะเกิดในกามาปจรภูมิในภูมินั้นชีวิตอินทรีย์จะเกิดและอิทถิ์รียก็จะเกิด อนุโลมปุจฉาอิทธิสินตีในภูมิใดจะเกิดโสมนัสสินตีในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาโสมนัสสินตีในภูมิใดจะเกิดอิทถิสินตีในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาในรูปาวจรภูมิในภูมินั้นโสมนัสสินตีจะเกิดแต่อิทถิสินตีไม่ใช่จะเกิดในกามาวจรภูมิในภูมินั้นโสมนัสสินตีจะเกิดและอิทถิสินตีก็จะเกิด อนุโลมปุตฉัลอิตถิินตีในภูมิใดจะเกิดอุเปกินตีในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมพิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉัลอุเปกินตีในภูมิใดจะเกิดอิตถิินตีในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาในรูปปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิในภูมินั้นอุเปกินตีจะเกิดแต่อิตถิินตีไม่ใช่จะเกิด ในกามาวจรภูมิในภูมินั้นอุเปกินตีจะเกิดและอิทถินตียก็จะเกิดอนุโลมปุจฉาอิทธินรียในภูมิใดจะเกิดสัจทินรีและปัญญินรีละมานินรีในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉามานินตีในภูมิใดจะเกิดอิทธินตีในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาในรูปาวจรภูมิและอรู ปาวจรภูมิในภูมินั้นมิณีสีจะเกิดแต่อิทธินรีไม่ใช่จะเกิดในการมาวจรภูมิในภูมินัน้นมนิณีสีจะเกิดและอิทถินรียก็จะเกิดอิทธินตรียมูลกายนจบปุริทินตรียมูลกานัยสองอนุกรมปุชชา ปุริสินตีในภูมิใดจะเกิดชีวิตินตีในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโดมปุจฉาชีวิตินตีในภูมิใดจะเกิดปุริสินตีในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาในรูปปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิในภูมินั้นชีวิตินตีจะเกิดแต่ปุริสินตีไม่ใช่จะเกิดในกามาวจรภูมิในภูมินั้น ชีวิตินทร์สีจะเกิดและปุริสินทร์สีก็จะเกิดอนุโลมปุชชาปุริสินทร์สีในภูมิใดจะเกิดโสมนณตินทร์สีในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุชชาโสมณสินทร์สีในภูมิใดจะเกิดปุริสินทร์สีในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาในรูปะวชจรภูมิในภูมินั้นโสมณตินทร์สีจะเกิดแต่ปุริสินทร์สีไม่ใช่จะเกิด ในกามาวจรภูมิในภูมินั้นโสมนัสสินตีจะเกิดและปุริสินตีก็จะเกิดอนุโลมปุจฉาปุริสินตีในภูมิใดจะเกิดอุเปกินตีในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมพิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาอุเปกินตีในภูมิใดจะเกิดปุริสินตีในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมพิจัชนาในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิ ในภูมินั้นอุเปกิสินตีจะเกิดแต่ปุริสินตีไม่ใช่จะเกิดในกามาวจรภูมิในภูมินั้นอุเปกิสินตีจะเกิดและปุริสินตีก็จะเกิดอนุโลมปุชชาปุริสินตีในภูมิใดจะเกิดตัดทินตีละปัญญินรียละมณินทรียในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุชชามณินตีในภูมิใดจะเกิดปุริสินตีในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนา ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิในภูมินั้นมนิณีสีจะเกิดแต่ปุริสินทรีไม่ใช่จะเกิดในกามาวจรภูมิในภูมินั้นมนณีสีจะเกิดและปุริสินทรียก็จะเกิดปุริสินทริยมูลกนัยจบชีวิตินทรียมูลกนัยสองอนุรมปุชชาชีวิตินทีในภูมิใดจะเกิด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 อนุรลมปุจฉาชีวิตินทร์สีในภูมิใดจะเกิดอุเปกินสีและสัตตินรีและปัญญินรีและมณินทรีย์ในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาในอาจารย์สัตตภูมิในภูมินั้นชีวิตินทร์สีจะเกิดแต่มนินสียไม่ใช่จะเกิดในจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิในภูมินั้นชีวิตินทรียีจะเกิดและมนินทรียก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉา มนณีตีในภูมิใดจะเกิดชีวิตตินตีในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ชีวิตตินตรียมูลกานิจจบโสมณสินทรียมูลกานิจสอยเก้อนุโลมปุจฉาโสมนณสินรียในภูมิใดจะเกิดอุเปกินรีและสัตตินรีละปัญญรียละมนนิทรียีในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ ปฏิโรมปุชชามนิินตีในภูมิใดจะเกิดโสมนัตสินรีในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่โสมนัตสินทรียมุรกไนยจบอุเปกินทริยมุรกไนสย296อนุโดมปุชชาอุเปกินตีในภูมิใดจะเกิดสัตตินรีและปัญญินรีและมนินทรีในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ ปฏิโรมปุชชามนินทร์ส like anyway. ีในภูมิใดจะเกิดอุเปกินสีในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อุเปกินทริยะมูลกานัยจบสัตถินตรียะมูรกานัย297อนุโลมปุชชาสัตถินรีในภูมิใดจะเกิดปัญญินรีและมนินรีในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโรมปุชชา มนิณีสีในภู ม, มิใดจะเกิดสัตตินรียในภู ม, มินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่สัตตนนินตรียมูลกไนจบปัญญตรียมูลกไนสองร้อยเก้าสิบแปดอนุโลมชชปุจฉาปัญญินรียในภูมิใดจะเกิดมนิณีสีในภู ม, มินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโดมปุจฉามนิณีสีในภู ม, มิใดจะเกิด ปัญญินตรีในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปัญญตริยมูลกไนจบอนุโลมปุกคโลกาสจักขุนทริยมูลกนไนสองอยเกอนุโลมปุจฉ า, า, า, า, า, าจากักขุนสีของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดโสตินทรีย์ของบุคคลนั้นในภู ม, นภ ม, นภมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉา สตินรียของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดจากขุนสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาะใช่อนุโลมปุจฉาจากขุนสีของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดคานินสียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาะบุคคลผู้บัติอยู่ในรูปาวจรภูมิจากขุนสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่คานินทรียไม่ใช่จะเกิด บุคคลผู้บัตรอยู่ในกามาวจรภูมิจากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและคานินทรียก็จะเกิดปฏิโดมปุชชาคานินทรีของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดจากขุนศีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่อนุโลมปุชชาจากขุนศีของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดอิตินทรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนา บุคคลผู้บัติอยู่ในรูปปาจรภูมิและบุคคลเหล่าใดมีปุริสาเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางพบโดยภาวะนั้นนั่นแหละแล้วปรินิพานจากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่อิทธินศีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้บัติอยู่ในการมาวจรภูมิจากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและอิทธินศีก็จะเกิดปฏิโดมปุชชา อิตินตีของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดจากขุนตีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาะใช่อนุโลมปุจฉาจากขุนตีของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดปุริตินตีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาะบุคคลผู้บัติอยู่ในรูปปาวจรภูมิและบุคคลเราใดมีอิทธิเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางพบโดยภาะวะนั้นนั่นแหละแล้วปรินิพาน จากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่ปุริสินศีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้บัตยู่ในกามาวจรภูมิจากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและปุริสินศีก็จะเกิดปฏิโดมปุชชาปุริสินศีของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดจากขุนศีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิตัตฉนาใช่อนุโลมปุชชา จะข <veis> ุนศีของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดชีวิตินทร์ศีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโดมปุชชาชีวิตินทร์ศีของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดจกขุนศีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้บาดอยู่ในอสัญรย์สัตตภูมิและอรูปภูมิชีวิตินทร์ศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่จกขุนศีไม่ใช่จะเกิด บุคคลผู้บาดอยู่ในปัญจโวการภูมิชีวิตสินรีของบุคลนนลคเลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและจากขุนสีก็จะเกิดอนุโลมปุจฉาจากขุนสีของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดโสมณตสินรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลล่ใดมีจักขู่เกิดได้มีจิตเป็นอุเบขาจากอุบัติแล้วปรินิพานจากขุนสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิด แต่โสมณตินตีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้บัดและจุติอยู่ในปัญจโวการภูมิจากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและโสมนณตินตีก็จะเกิดปฏิโดมปุชชาโสมณตินตีของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดจากขุนศีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจาชนาใช่อนุโลมปุชชา จากขุนศีของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดอุปเปกินศีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลเราใดมีจากขูเกิดได้มีจิตเป็นโสมนัสจากอุบัติแล้วปรินิพานจากขุนสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่อุเปกินศีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้บัติอยู่ในปัญจโวการภูมิจากขุนสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและอุเปกินศีก็จะเกิด ปฏิโรมปุจฉาอุเปกิณตีของบุคคลใดในภูมิใดายจะเกิดจากขุนตีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้บัดอยู่ในอรูปภูมิอุเปกิณตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่จากขุนตีไม่ใช่จะเกิดบุคคลผู้บัดอยู่ในปัญจโการาภูมิอุเปกิณตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและจากขุนตีก็จะเกิด อนุโลมปุจฉาจากขุนสีของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดสัตทินรีและปัญญินรีและมณีศีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉามณียีของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดจากขุนสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้บัติอยู่ในอรูปภูมิมณีศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิด แต่จากขุนสีไม่ใช่จะเกิดบุคคลผู้บัตยู่ในปัญจโวการภูมิมนินศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและจากขุนสีก็จะเกิดจากขุนทริยะมูลกนัยจบคานินทรีมูลกนัยสามร้อยอนุโลมปุ ช, ชาขาคานินรีของบุคคลใดในภูมิดจะเกิดอิตินรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมพิจัชนาะ บุคคลเราได้มีปุริชาเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางพบโดยภาวะนั่น น, น, นั่นแหละแล้วปรินิพานคานินทีกับุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่อิทินตียไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในกามาวจรภูมิคานินทีกับบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดได้อิทินตียก็จะเกิดปฏิโดมปุชชา อิทธินทรีของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดคานินทรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุชชาคานินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดปุริสินทรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลเหล่าใดมีอิทธิเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางภพโดยภาวะนั้นนั่นแหละแล้วปรินิ พ, พาน ขานินทรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่ปุริสินทรีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้บัติอยู่ในกามาวจรภูมิขานินทรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและปุริสินทรีก็จะเกิดปฏิโดมปุชชาปุริสินทรีของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดขานินทรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่อนุโลมปุชชาขานินทรีของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิด ชีวิตินทรีสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนะใช่ปฏิโรมปุชชาชีวิตินทร์สีของบุคคลใดในภูมิดจะเกิดคานินทรีสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้บตดอยู่ในรูปปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิชีวิตินทรีสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่คานินทรีไม่ใช่จะเกิด บุคคลผู้บัตรอยู่ในกามาวจรภูมิชีวิตินตรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและคานินตรีก็จะเกิดอนุโลมปุจฉาคานินตรีของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดโสมนัสินทรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลเหล่าใดมีคานะเกิดได้และมีจิตเป็นอุเบกขาจากอุบัติแล้วปรินิพานคานินทรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิด แต่โสมนัสสินรียไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้บาดอยู่ในกามาวจรภูมิคานินทรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและโสมนัสสินรียก็จะเกิดปฏิโรมปุชชาโสมนัสสินทรียของบุคคลใดในภูมิใมดจะเกิดคานินทรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมพิจัชนาบุคคลผู้บาดอยู่ในรูปาวจรภูมิโสมนัสสินรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิด แต่คาณินทรีย์ไม่ใช่จะเกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในกามาวจรภูมิโสมนัสสินทรีย์ของบุคคลล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและคานินทรียก็จะเกิดอนุโลมปุจฉาคาณินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดอุเปกินรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลเราใดมีคานะเกิดได้และมีจิตเป็นโสมนัสจากอุบัติแล้วปรินิพาน คานินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่อุเปกินตีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้บัดอยู่ในกามาวจรภูมิคานินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและอุเปกินตีก็จะเกิดปฏิโดมปุชชาอุเปกินตีของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดคานินตีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิตัจชนา บุคคลผู้บัดอยู่ในรูปาวจอภูมิและอรูปาวจอภูมิอุเปกินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่คานินรีไม่ใช่จะเกิดบุคคลผู้บัดอยู่ในกามาวจอภูมิอุเปกินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและคานินรีก็จะเกิดอนุโลมปุจฉาคานินรีของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดสัตทินรีและปัญินรีและมณินรี ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิรมปุจฉามนินตีของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดคานินตียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้บาดอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิมนินตียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่คานินตีไม่ใช่จะเกิดบุคคลผู้บาดอยู่ในกามาวจรภูมิ มนณีสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและคานินทรีย์ก็จะเกิดคานินตริยมูลกายนิจบอิถินตรียะมูลกานัจนยนสยเอ็ดอนุโลมปุจฉาอิถธินรียของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดปุริสินทรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาะ บุคคลเราได้มีถิเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางภพโดยภาวะนั้นนั่นแหละแล้วปรินิพานอิทิสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่ปุรินิพานไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้บาดอยู่ในกามาวจรภูมิอิทิสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและปุรินิพานก็จะเกิดปฏิโรมปุชชาปุรินิพานของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิด อิิสินตีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจาชนาบุคคลเหล่าใดมีปุริสตาเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางพบโดยภาวะนั้นนั่นแหละแล้วปรินิพานปุริสินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่อิทินตีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้บาดอยู่ในกามาวจรภูมิปุริสินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและอิทิสินตีก็จะเกิดอนุโลมปุชชา อิตินตีของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดชีวิตินตีของบุคคลนั้นในภูมิน <Bruno>. yes. ั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจาชนาใช่ปฏิโลมปุชชาชีวิตินตีของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดอิตินตีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชณาบุคคลผู้บัตยู่ในรูปปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิ และบุคคลเหล่าใดมีปุริชาเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางภพโดยภาวะนั้นนั่นแหละแล้วปรินิพานชีวิตินตีของบุคบคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่อิจินตีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้บัตยู่ในการมาวจรภูมิชีวิตินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและอิจินตีก็จะเกิดอนุโลมปุชฌาอิจินตีของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิด โสมนัสสินติของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะบุคคลเราใดมีอิทธิเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางภพโดยภาวะนั้นนั่นแหละมีจิตเป็นอุเบกขาจากอุบัติแล้วปรินิพานอิทธินติของบุคคลเรานนในภูมินั้นจะเกิดแต่โสมนัสสินติไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้บัติอยู่ในกามาวจรภูมิ อิตินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและโสมนัสตินรียก็จะเกิดปฏิโดมปุชชาโสมนัสตินรีของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดอิตินตีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจารนาะบุคคลผู้บัตยู่ในรูปราวุจรภูมิและบุคคลเราใดมีปุริสาเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางพบโดยภาวะนั้นนั่นและมีจิตเป็นโสมนัสจากอุบัตแล้วปรินิพาน โมสมนัสสินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่อิทธินตียไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มอีอุบัติอยู่ในกามาวจรภูมิโมสมนัสสินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและอิทถินตีก็จะเกิดอนุโลมปุจฉาอิทธินตีของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดอุเปกินตีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะบุคคลเราใดมีทีิเกิดได้ ถือปฏิสนธิในบางพบโดยภาวะนั้นนั่นแหละมีจิตเป็นโสมนัสจากอุบัติแล้วปรินิพานอิทินินทรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่อุเปกินทรีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้บัติอยู่ในกามาวจรภูมิอิทินินทรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและอุเปกินทรีก็จะเกิดปฏิโลมปุ ช, ชา้า อุเปกินตีของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดอิตินรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัตชนาะบุคคลผู้บาดอยู่ในรูปะประจรภูมิอรูปาวจรภูมิแต่บุคคลเราใดมีปุริสเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางภพโดยภาวะนั้นนั่นแหละมีจิตเป็นอุเบขาจากอุบัติแล้วปรินิพานอุเปกินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่อิตินรีไม่ใช่จะเกิด บุคคลนอกนี้ผู้บาดอยู่ในกามาวจรภูมิอุเปกินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและอิทินตีก็จะเกิดอนุโลมปุชชาอิทินรียของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดตัดทินรีละปัญญินรียละมันินทรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิตัชชาใช่ปฏิโลมปุชชา มนินรียของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดอิตินรีของบุคลบคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจาชนาะบุคคลผู้บัดอยู่ในรูปปาวจรภูมิอรูปราวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดมีปุริสาเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางพบโดยภาวะนั้นนั่นแหละแล้วปรินิพานมนินทรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่อิตินรียไม่ใช่จะเกิด บุคคลนอกนี้ผู้บัตอยู่ในกามาว จ, จรภูมิมนินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและอิทธินทรีย์ก็จะเกิดอิทธินทรีย์มูลกายนิจบปุริสินทรีย์มูลกายนิสอยสองอนุโลมปุชชาปุริสินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดชีวิตินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิัชนาใช่ ปฏิโรมปุจฉาชีวิตินตีของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดปุริสินตีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมพิ่แตจนาบุคคลผู้บาดอยู่ในรูปปาวจรภูมิอรูปราวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดมีอิทธิเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางพบโดยภาวะนั้นนั่นแหละแล้วปรินิพานชีวิตินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่ปุริสินตีไม่ใช่จะเกิด บุคคลนอกนี้ผู้บัตอยู่ในกามาวจรภูมิชีวิตินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและปุริสินตีก็จะเกิดอนุโลมปุชชาปุริสินตีของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดโสมนัณสินตีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาะบุคคลเหล่าใดมีปุริสาเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางภพโดยภาวะนั่ น, น, นแหละมีจิตเป็นอุเบขา จากอุบัติแล้วปรินิพานปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่โสมณตสินสีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้บัติอยู่ในกามาวจรภูมิปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและโสมณตสินสีก็จะเกิดปฏิโลมปุชชาโสมณตสินสีของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดปุริสินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจาชนา บุคคลผู้บัติอยู่ในรูปปาวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดมีอิทธิเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางพบโดยภาวะนั้นนั่นแหละมีจิตเป็นโสมนัตจากอุบัติแล้วปรินิพานโสมนัตสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่ปุริสินสีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในกามาวจรภูมิโสมนัตสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและปุริสินสีก็จะเกิด อนุโลมปุชชาปุริสินติของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดอุเปกินติของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลเหล่าใดมีปุริจ่าเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางพบโดยภาวะนั้นนั่นแหละมีจิตเป็นโสมนัสจากอุบัติแล้วปรินิพานปุริสินติของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่อุเปกินติไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้บัตอยู่ในกามาวจรภูมิ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 ถือปฏิสนธิในบางพบโดยภาะวะนั้นนั่นแหละมีจิตเป็นอุเบขาจากอุบัติแล้วปรินิพานอุเปกินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่ปรินินสีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้บัตอยู่ในกามาวจรภูมิอุเปกินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและปรินินสีก็จะเกิดอนุโลมปุจฉาปุรินิพัสนสีของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิด สัตถินรีละปัญญินรีละมานินรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโดมปุจฉามานินทรียของบุคคลใดในภูมิใดาจะเกิดปริสินสียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้บัติอยู่ในรูปปาวจรภูมิอรูปราวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดมีอิทธิเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางภพ โดยภาวะ น, น, นั่นแหละแล้วปรินิพานมนิณีศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่ปุริสินศีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้บัตยู่ในกามาวจรภูมิมนิณีศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและปุริสินศีก็จะเกิดปุริสินตริยมูลกนัยจบชีวิตินตริยมูลกนัย3ามอยสามอนุโลมปุชชา ชีวิตินทรียีของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดโสมนัณสินทรียีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาะปัจฉิ ม, มจิตที่สัมปยุทธด้วยเบขาจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในวงเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นบุคคลผู้บัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิชีวิตินทรียีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่โสมนณสินทรีย์ไม่ใช่จะเกิด บุคคลนอก ok นี้ผู้บัติอยู่ในจตุโวการภูมิและปัญจโวโการภูมิชีวิตอินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและโสมสสินตีก็จะเกิดปฏิรมปุชชาโสมณสินทตีของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดชีวิตอินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่อนุลมปุชชาชีวิตอินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิด อุเปกินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจาชนาปัจฉิ ม, มจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยโสมนัสจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้นบุคคลผู้บัตยู่ในสัญญาสัตตภูมิชีวิตินรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่อุเปกินสีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้บัตยู่ในจตุวการภูมิและปัญจวการภูมิ ชีวิตินทร์สีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและอุเปกินทร์สีก็จะเกิดปฏิโมดมปุชชาอุเปกินทร์สีของบุคคลใดในภูมิใดายจะเกิดชีวิตินทร์สีของบุคคลนั้นในภูมินมั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิตัดชนาใช่อนุโลมปุชชาชีวิตินทร์สีของบุคคลใดในภูมิใดายจะเกิดจตินทร์สีและปัญญทร์สีและมณินทรียีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหม วิจัชนาะบุคคลผู้บัตรอยู่ในอาจญรยัตตภูมิชีวิตินทร์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่มนินทร์ไม่ใช่จะเกิดบุคคลผู้บัตรอยู่ในจตุวการภูมิและปัญจโวการภูมิชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและมนินทร์ก็จะเกิดปฏิโรมปุชามนินทร์ของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดชีวิตินทร์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนา ใช่ชีวิตินทริยมูลกานายัยจบสมนัติินทรีย์มูลกานายัยสามรอยสี่อนุโลมปุจฉาสมนัติินสีของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดอุปเปกินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมพิมจัชนาปัจฉิมจิตที่สัมปยุทธด้วยสมสนสัตจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้น โสมนัสถินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่อุเปกินสีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้บัตยู่ในจตโวการาภูมิและปัญจโวการาภูมิโสมานัตสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและอุเปกินสีก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉาอุเปกินสีของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดโสมนัสถินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนา ปจิมจิตที่สามประยุทธ์ด้วยอุเบกขาจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในองเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นอุเปกินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมิน th totally no. so ั้นจะเกิดแต่โสมนณตินสีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้บัติอยู่ในจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิอุเปกินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและโสมนณสินสีก็จะเกิดอนุโลมปุชชาโสมนัณสินสีของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิด สัตตินรีละปัญญินทรีละมณินทรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโดมปุจฉามณินทรีของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดโสมนัณสินรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาปัจฉิมจิตที่สามยุทธด้วยเบขาจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในมงลเล็บในลำดับแห่งจิตนั้น มณินทรกับบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่โสมนัสสินทรียไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้บาดอยู่ในจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิมนินทรีกับบุคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและโสมนัสสินทรียก็จะเกิดโสมนัสสินตริยมูลกนัยจบอุเปกินตริยมูลกนัยสามอหอนุรมปุชชา อุเปกินสีของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดสัตตินรีและปัญญินรีและมณินทรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมพิจาชนาใช่ปฏิโดมปุชชามณินสีของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดอุเปกินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมพิจารนาปัจฉิมจิตที่สามยุทธดุสโสมนัสจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในวงเล็บในลำดับแห่งจิตนั้น มนินทร์สีของบุคคลเหล่านั้นในภูมิมนั้นจะเกิดแต่อ um ุเปกินทร์สีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้บัตรอยู่ในจตุวการภูมิและปัญจโวการภูมิมนินทร์สีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและอุเปกินทรียีก็จะเกิดอุเปกินตริยมูลกนาฏจบสัตตินตรียมูลกนาฏสามอนุโลมปุจฉาสัตตินทร์สีของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิด <Thank> ปัญญินสีและมนินทรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโดมปุจฉามนินรียของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดสัตตินรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่สัตตินตรียามูลกานายัยจบปัญญตรียามูลกานายัย307ออนุโลมปุจฉา ปัญญินทรีของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดมนินทรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโดมปุจฉามนินทรีของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดปัญญินทรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปัญญตรียมูลกนัยจบ